สัพเพหิเมปิเยหิมะนาเปหิ น, นานาภาโววินาภาโวอนนถถาคตได้บอกแล้วไม่ใช่หรือว่าสัตว์จะต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งสิ้นการที่สัตว์จะได้ตามปรารถนาในสังขารนี้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 เหิงราตรียินดีต้อนรับตัมบูฟังด้วยรายการธรรมรับอรุณในตัวนังคารเป็นช่วงของจิตตะวิเวกที่เรามีนัดกันในการจะมานั่งสมาธิทำจิตให้มีความวิเวกมีความละเีเร้นประกอบจิตตะภาวนา เพราะว่าจิตของเรนั้นมีความประพัดสอนเศ้ามองได้ด้วยกิเลสที่เป็นลกันตุกะจอดมาพ้องใสก็ได้ด้วยกิเลสที่เป็นลกันตุกะมันจอดออกไปจะให้กิเลสที่เป็นลกันตุกะมันออกไปหรือที่มันมาแล้วไม่ทำให้จิตเราเศ้ามองได้ จิตเรานั้นจึงต้องมีสติรักษาไว้มีปัญญาขจัดมันออกไปสติรักษาหมายถึงป้องกันกิเลส ท, ที่เป็นอากันทุการจรมาปัญญาหมายถึงความรู้ความเข้าใจที่จะกำจัดกิเลส ท, ที่มันทำให้จิตเศร้าหมองสับมันออกไป แสมันออกไปทิ้งมันไปจิตตภาวนาจึงเป็นสิ่งสำคัญสำคัญปฏิบัติได้ได้ผลสำหรับคนที่เข้าใจสำหรับคนที่ไม่เข้าใจจะไม่มีจิตตภาวนาคาว่าภาวนาทมาฟัง หมายถึงการพัฒนาภาวนาไม่ใช่หมายถึงอ้อนบอลขอร้องบนบานสารกล่าวไม่ใช่ภาวนามาจากคำว่าภาวิตาแปลว่าการพัฒนาบางคนก็จะแปลว่าการทาให้เจริญคือพัฒนาจิตเราณหนั่นงการที่เราไม่รู้ความจริงว่าจิตนั้นเศร้าหมองได้แล้วก็ในขณะเดยียวกัน ผงใสก็ได้จะทําให้ไม่เกิดการภาวนาเพราะว่าถ้าไม่รู้ความจริงคือไม่เห็นมันก็ทําไม่ได้แต่ถ้ารู้ความจริงคือเห็นน่ะสามารถทําได้เห็นนี่มันก็ไม่ยากเายตูฟังมีตาไหมตานล็กๆของเราเนี่ยแหละจะให้ตาเปิดได้ บางคนตาเนียโวโทมีขี้ฝุ่นขีผ้ผงหรือดินเหนียวพอกปิดอยู่จะเปิดตานี่ไม่ต้องพูดถึงต้องขจัดไอ้เจ้าดินเหนียวที่มันพอกตาอยู่นี่ออกซะก่อนขจัดออกแล้วยังจะเปิดตาเลยก็ไม่ได้ต้องเอามาล้างทำความสะอาดเศษฝุ่นเศษผงที่มันเข้าตาอยู่จึงจะเปิดตา ขึ้นมาได้ทุกคนในะตูมฝั่งสามารถทำได้หมดแลลวถ้ามีจิตอยู่นะมีจิตอยู่เรามาปฏิบัติไปด้วยกันเรามาพิจรารณาเรามาตั้งสติไปด้วยกันวันนี้เราจะเจริญพุทธานุสติคือการตามระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าอยู่ตรงไหน แน่นอนเลยไม่ใช่พระพุทธรูปไม่มีอะไรที่จะมาเปรียบแทนพระพุทธเจ้าได้ว่าพระพุทธรูปนี่เขาสร้างมาที่หลังเป็นเรื่องที่จะให้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าแต่เราจะระลึกถึงพระพุทธเจ้าได้ไม่ใช่ดูที่พระพุทธรูปไม่ใช่ดูที่หนังสือ หรือต่อให้คนที่เคยเห็นหน้าตาพระพุทธเจ้าได้เคยฟังเสียงท่านนึกถึงภาพนึกถึงเสียงเหล่านั้นนั่นก็ยังไม่ใช่แต่เวลาจะระลึกถึงพระพุทธเจ้าให้ระรลึกถึงการตรัสรู้ของท่านท่านว่าเพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคนั้นเป็นผู้กายจากกิเลส ตรสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองคือบทอิติปิโสพัควาอรหังสัมมาสัมพุโทโธนั่นเองบทที่หลายๆคนก็สวดได้ท่องได้เวลาจะระลึกถึงท่านนี่คือระลึกถึงคุณมีการตรัสรู้เป็นต้นคุณของพระพุทธเจ้ามีหลายอย่าง ไม่ว่าจะความที่ท่านมีปัญญามีความกรุณาดังห่วงมหันโนบมีความสามารถในการจำแนกแจกธรรมยังสามารถบอกสอนธรรมะแก่บุคคลต่างๆไม่ว่าจะเป็นเทวดาหรือมนุษย์ฝึกสอนออกมาแล้วชนิดที่เรียกว่าไม่ต้องทำต่อจบเลย เราให้คุณของพระพุทธเจ้าในข้อต่างๆมารวมลงในข้อที่เรียกวัทโธแล้วมานึกถึงเอาคุณในข้อพุทโธนั้นมาตั้งไว้ในจิตใจของเราด้วยการมานึกถึงกับว่าพุทโธพุทโธพุทโธอยู่ที่ท่ามกลางอก นึกถึงคำนี้เราไม่ได้จะเอาคำว่าพุทโธนะธรรมฟังนี่บอกไว้ตั้งแต่แรกเลยเราไม่ได้จะเอาคำนี้เราจะเอาคุณของพระพุทธเจ้าในข้อพุโทโธให้เกิดขึ้นเริ่มต้นด้วยการมานึกถึงคำว่าพุโทโธพุธโทโธพุธโทพธโธ อยู่ที่ท่ามกลางอกความคิดตะโมฟังเป็นนามไม่ได้เป็นรูปเวลาเราคิดเรื่องงานจิตเราก็ไปอยู่ที่ทำงานเลยเวลาเราคิดเรื่องเรียนจิตเราก็ไปอยู่ตรงที่อยู่เรียนนั่นแหละจิตมันไปได้ไกลไปได้เร็วไปดวงเดียวเราก็ไม่ได้ว่าจะต้อง เป็นต่อๆึ้นไปแต่มันก็ะโดดไปกระโดดมาได้ไม่มีเวลาไม่มีสถานที่ดังนั้นเวลาที่เราจะนึกถึงจิตเนี่ยมันจะไปอยู่ตรงไหนก็สมมุติเอาสมมุติว่าอยู่ท่ามกลางอกก็แล้วกันแล้วก็มานึกถึงกัำพุทโธพุทโธไว้ที่ตรงนี้เริ่มต้นขึ้นที่ตรงนี้ เหมือนเวลาเราจะไปหาคนเราไม่รู้จักหน้าเขารู้จักแต่ชื่อโอ้ยถ้ายิงไม่รู้จักชื่อไม่รู้จักหน้าแล้วก็ไม่รู้อยู่ที่ไหนตามหาคันไม่เจออยู่แล้วแต่ถ้าไม่รู้จักหน้าเออแต่ยังพอรู้จักชื่อเขาก็ไปเรียกหาดูเขาอยู่ที่ไหนหรือเด็กเขาเรียนหนังสือเขาไม่รู้คำนี้เขาก็ท่องคำนี้ไปก่อน ท่องพูดไปเดียวมันก็เข้าใจความหมายที่ลึกซึ้งได้เช่นเดียวกันนุังหรือยังไม่รู้หรอกว่าความรู้ความตื่นความเบิกบานมันเป็นยังไงนี่ก็ถ้ายังไม่บรรลุมันก็ยังไม่เป็นพุทโธนะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าพุทโธจะเป็นยังไงตั้งสติไว้ก่อนนึกพุทโธไว้ในใจเริ่มต้นตรงนี้ก่อน ทำไปทำไปด้วยสติเป็นอธิกปะดีจะสามารถทำให้เกิดวิจาวิมุตได้เกิดได้ยังไงนะเพราะในช่องทางใจของเราดูฟังต้องมีสติเป็นที่เล่นไปสู่ถ้าในช่องทางใจของเราไม่มีสติเป็นที่เล่นไปสู่จิตใจของเราจะมีความเบื่อวาจะไม่ได้มีการรักษา เห็นสิ่งใดได้ยินสิ่งใด้มันก็จะไปตามอารมณ์ที่มากระทบผ่านทางหูทางตาสิ่งที่จะมากระทบจิตผ่านทางตาได้มันจะเป็นเสียงเป็นกลิ่นก็ไม่ใช่แล้วมันต้องเป็นภาพอย่างเดียวสิ่งที่จะมากระทบจิตผ่านทางหูมันจะเป็นแสงเป็นกลิ่นมันก็ไม่ได้แล้วมันต้องเป็นเสียงอย่างเดียว สิ่งพัทธะ ต, ต่างๆภายนอกที่ไม่ได้สเบิโคโจรและวิสัยของกันและกันเหล่านั้นจะมุ่งเข้าสู่ใจได้นี่ผ่านทางตาหูจมูกลิ้นและกายนี่แหละหุ่งมุ่งเข้าสู่ใจสิ่งที่มานั้นทูฝั่งมันไม่ได้มาเดียวๆโดดๆเช่นเสียงผ่านทางหูมันไม่ได้มาแค่เสียงนะ เหมือนมีอารมณ์ของเสียงที่ติดมาผ่านเข้าไปด้วยอารมณ์นั้นเป็นสุขก็มีเป็นทุกข์ก็มีหรือบางครั้งมันอาจจะไม่ได้บอกได้ว่าเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเขาก็เรียกว่าเป็นอะทุกขมสุขหรือบางครั้งจะบอกได้เป๊ะๆว่าเออมันเป็นอุเบกขาอุเบกขาก็อันนึงอะทุกขมะสุุก็อย่างหนึง่ง สุข ก, ก็อย่างหนึ่งทุกข์ก็อย่างหนึ่งคลี่คลายออกมามาพร้อมกับสิ่งที่มากระทบเช่นเสียงผ่านทางหูนี่แหละเข้าสู่ช่องทางใจพอเข้าไปแล้วตรงนี้แหละมันสำคัญเสียงอันเป็นที่ตั้งแห่งความทุกข์มากระทบหูภาพอันเป็นที่ตั้งแห่งความสุขมากระทบตา กลิ่นที่ไม่ได้จะบอกด้วยว่ามันเป็นสุขหรือมันเป็นทุกข์มากระทบจมูกผ่านเข้าสู่มีใจเป็นที่เล่นไปสู่รวมลงเข้าในใจแล้วในใจนั้นก็จะเอาความรู้สึกที่เป็นทุกข์ผ่านทางหูเข้าเกิดขึ้นใน ใ, นใจด้วยก็จะเอาความรู้สึกที่เป็นสุขที่ผ่านมาทางตานั่นแหละ เข้าสู่ใจด้วยก็จะเอาความรู้สึกที่ไม่ได้จะบอกได้ว่ามันเป็นทุกข์หรือมันเป็นสุขที่ผามาทั้งจมูกนั่นแหละเข้าสู่ช่องทางใจด้วยช่องทางใจของเราก็จึงมีทั้งความสุขความทุกข์ไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขบางทีก็อุเบกขาบางทีก็นั่นนี่โ น, น่นอยู่ในช่องทางใจเข้าไปด้วยเวลามีอะไรเข้าไปสู่ใจตมุฟัง จิตมันก็จะไปสวยอารมณ์นั้นๆนั้นๆจิตของเราทําหน้าที่สวยอารมณ์จิตของเราจะมีลักษณะที่คลอยเคลื่อนเปลี่ยนแปลงไปตามสิ่งที่มากระทบอยู่ในช่องทางใจแต่จิต ท, ที่ไปเสวยอารมณ์ที่เป็นสุขจิตมันก็จะมีความยินดีปอใจ จิตกระใจนี่ไม่เหมือนกันนะสมุฟังที่ฟังรายการธรรมะรับบรุนอยู่เป็นประจำคิดว่าคงจะเข้าใจจิตก็อย่างหนึง่งใจก็อย่างหนึง่งใจเป็นช่องทางที่ให้อารมณ์ความรู้สึกสิ่งต่างๆที่เป็นนามอยู่ในนี้เวลาเราจะอ้างอิงถึงสิ่งใดที่เป็นนามต้องใช้ใจเป็นตัวที่จะอ้างอิงถึงได้ เหมือนกับเวลาที่เราจะอ้างอิงถึงสิ่งอะไรที่เป็นรูปเราใช้สัมผัส่างกายของเราไม่ว่าจะตาหูจมูกลิ้นหรือกายเป็นตัวที่จะอ้างอิงถึงมันสว่างไหมหรือมันมืดห น, นังก็ใช้ตามันร้อนหรือมันเย็นั น, นังก็ใช้ยกายมันดังหรือมันค่อยอ น, นังกระช้หูเรื่องมือวัดอะไรต่างๆที่เขาใช้วัดในปัจจุบันนี้ทั้งหมด ออสซิโลสโเทอร์โมมิตเตอร์มิตเตอร์วัดกระแสมิตเตอร์วัดโวลต์ต่างๆก็เอามาจากสัมผัสทางร่างกายของเรานี่แหละทั้งห้าทา ง, ทางแตนี่พอเวลาก็สามารถมีการปรุงแต่งคิดค้นอะไรมากขึ้นมันก็เลยจึงทําเป็นเครื่องมือออกมานั่นก็คือกายนั่นแหละน้ําก็ต้องมีการอ้างอิงถึงด้วยระบบของใจ กายใจเ่านจึงเรียกรูปน้ำเ่านจึงกล่าวไว้คู่กันสิ่งที่เป็นน้ำใจใจมีอะไรอยู่ในช่องทางใจเราก็บอกเรารู้สึกยังไงสุขทุกหรืออุเบกขาหรือจะไม่ได้บอกได้ว่ามันเป็นสุขหรือมันเป็นทุกข์กันแน่เพราะมีความรู้สึกนี้อ้างอิงถึงด้วยระบบของใจแล้วจิตก็เข้าไป เกลือกลัวในความรู้สึกต่างๆเหล่านั้นไปตามอารมณ์ไงอารมณ์สุขก็จะมีความยินดีเพลิดเพลินลุ่มหลงพอใจมีอารมณ์ทุกข์ก็จะมีความกระยิยง้งเกลียดชังไม่พอใจบางทีถึงขนาดร่ำให้ร่ำครวนทุบ อ, อกชกตัวถึงความเป็นผู้งุนงงขลั่งเพอ้อ บางทีก็ออกมาเป็นความโกรธความกระทัดกระฟืดความกระด้างกระเตืองความไม่พอใจเกิดปรากฏหรือถ้าเป็นความรู้สึกที่มันไม่ได้จะบอกด้วยว่ามันเป็นทุกข์หรือมันเป็นสุขเป็นอารมณ์แบบเนี้ยแบบนี้กับแบบนี้ล่ะมันก็ไม่รู้จะว่ายังไงมันก็ได้งงๆงงมือนๆใช่ไม่ใช่ไม่รู้เหมือนกันไอความรู้สึกที่เกิดขึ้นในช่องทางใจ แล้วทำให้จิตมีอารมณ์ตามไปเข้าไปเกลือกล้วเป็นความลุ่มหลงมันก็หิวจิตนะจิตมันหิวตาฝังเวลาที่มันเกิดพอใจในอะไรมันก็อยากได้แบบนี้มากๆขึ้นเออแทนที่ว่ามีความพอใจแล้วมันจะพอใช่ไหมมันไม่ไงมันจะมีความอยากได้เพิ่มเติมขึ้นไปอีกนี่คือลักษณะที่มันเริ่มผลิต สิ่งที่เรียกว่าเป็นราคะออกมาแล้วคือมันหิวมันอยากได้พอใจเพลินรุ่มหลงยินดีแต่พอเจอทุกขเวทนาเข้าไปเกลือกลัวเกลียะแขยังเกลียดจังแล้วจิตมันก็ไม่พอใจใช่ไหมผลไม่พอใจแล้วมันก็อุ่นมาอยากได้ไม่อยากได้เกิดความขยเเขยั ง, ยงเกิดความไม่พอใจเกิดความร้อนขึ้น ลักษณะแบบนี้ก็คือโทสะนั่นเองมีความหิวมีความร้อนอยู่ในไหนอยู่ในช่องทางใจนี่แหละเกิดจากอะไรเกิดจากจิตขรงเนาเน้นแหละไปทำอะไรนะไปเกลือกลัวในอารมณ์สุขบ้างทุกบ้างไงเอาแล้วถ้ามันไปไม่เข้าใจสิ่งที่เป็นนาทุกข์กามสุขอ่ะไม่เข้าใจมันก็งงไงมันก็งงไม่รู้ว่ามันจะอะไรยังไงนะ เกิดมาไงดับไปไงไม่รู้นั่นก็เป็นความมืดไงเป็นความมืดความมืดก็โมหะไงจึงมีราคะโทสะโมหะเกิดขึ้นในช่องทางใจเกิดจากจิตนี่แหละที่ก็ไปเกลือกลัวอารมณ์ต่างๆสุขบ้างทุกบ้างไม่ทุกไม่สุขบ้างไปตามอารมณ์แล้วพอในช่องทางใจมีราคะโทสะโมหะ มาเข้ามาเข้าคือไม่ต้องมากก็ได้เอาพอประมาณดูอ่ะพอประมาณแล้วการรับรู้ในช่องทางใจด้วยหิวมืดร้อนมันก็จะผิดเพี้ยนไปเพราะอะไรเพราะว่าเหมือนจะมู่เราเนี่แหละถ้ามเป็นหวัดนะจะดมกลิ่นอะไรเนี่ยมันจะไม่ได้กลิ่นอะไรเลยเหม็นก็ไม่เหม็น หอมก็ไม่หอมมีแต่จมูกตื่อตันหูถ้าหูเรามีน้ําหนวกจะได้ยินอะไรก็ไม่ชัดเป็นเสียงอู้อีเป็นเสียงค่อยเบาไปตาของเราถ้ามันมีเศษฝุ่นเศษผงโอ้มันจะแบบมองไม่ชัดเลยบางทีเปิดตาไม่ได้หรือถ้าเป็นต้อกระจกจะมองเห็นสิ่งต่างๆมันก็จะขุ่นล่ามัวไม่ชัดเจน ถ้าปิดเพี้ยนไปบางคนนี่ตอนกลางคืนเห็นไฟเนี่ยโอ้เป็นแฉกแฉ ก, แ ก, แกออกมาเลยนั่นก็ราลว่าตาเราหูเราหรือว่าจมูกเรามันมีความเศร้าหมองมีโรคเกิดขึ้นที่อวัยวะนั้นในกายตรงนั้นตรงนั้นใจนี่ก็เหมือนกันนะมีโรคของใจนั่นก็คือราคาโทสะโมหะความหิวความร้อนความมืดนนเนง ทำให้การรับรู้ในช่องต่างนั้นมันไม่ตรงความจริงมันผิดเพี้ยนไปกรณีนี้แหละที่ท่านเรียกว่าเป็นความเศร้าหมองของใจเพราะจิตไม่ได้รับการรักษาในกรณีนี้เราจึงทำอย่างไรเราจึงรักษาจิตขึ้นด้วยสติใจนั้นจึงต้องมีสติ เป็นที่เล่นไปสู่สติจะเป็นตัวจัดระเบียบในช่องทางใจเวลามีอะไรมากระทบด้วยสติเป็นตัวรักษาจะมีอินทรีย์ภาวนาทัานเรียกอินทรีย์คือตาหูจมูกลิ้นกายใจของเรานี่แหละภาวนาคือการพัฒนาไงมีการรักษามีการพัฒนาเป็นอินทรีย์ภาวนา ที่ให้เวลาหัดสะเสียงภาพกลิ่นอันเป็นที่ตั้งแห่งสุขทุกข์หรือไม่ทุกข์ไม่สุขมากระทบแล้วเออมันไม่ได้มีบาปอากุศลธรรมเกิดขึ้นในช่องทางใจโอเคความรู้สึกสุขทุกข์มีอยู่แต่บาปอากุศลธรรมที่จะเกิดจากการที่จิตเข้าไปกลึกกล้ว ในอารมณ์นั้นๆๆๆไม่มีหรืออย่างน้อยก็เบาบางไปดังสติขึ้นธรรมฟังด้วยพุโทโธทำไมพุโทโธเป็นสติได้พุโทโธไม่ใช่สตินะพุโทโธก็เป็นคำเรียกธรรมดาเป็นชื่อของร พ, พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเนี่ก็เป็นสัมมาสัมพุโทโธ ถ้าตรสรู้เองไม่ได้สอนใครก็เรียกปัจเจกพุทธเจ้าถ้ารู้ตามคนอื่นก็เรียกอนททุพุทธโธพุทธโธก็มี3มแบบสิ่งที่เป็นสติไม่ใช่พุทธโธแต่พุทธโธเป็นเรื่องมือช่วยให้เกิดสติแล้วสติอยู่ตรงไห น, นสติอยู่ตรงที่เรามาระลึกนึกถึงคำ่าพุทโธเรามาคิดนึก ถึงคำมาพุโทโธความคิดความระลึกความนึกได้นั้นน่นนะคือสติสติแปลว่าความระลึกได้ทุกฝังระลึกถึงสิ่งที่ทำจำคาที่พูดแล้วแม่นานได้เรานึกได้ว่าเออมื่อวานฉันกินอะไรมานะโว่บางคนจบไม่ได้ด้วยซ้ำนั่นน่ะสิเอา้าไม่เป็นไดเมื่อวานฉันไปไหนมานะ ฉัพูดกับเขาไว้ยังไงนะเออนึกได้จําได้ความระลึกได้แล้วนะ่ะคือสติทีนี้สิ่งที่เราระลึกนึกคิดถึงได้เนี่ยมันมีอารมณ์ติดมากับสิ่งนั้นเสมอเสมอวันที่เรานึกถึงเรื่องนั้นโอ้เรื่องนั้นทําให้เราเสียใจนึกถึ ง, ถงเรื่องมันก็เสียใจอารมณ์เสียใจก็ามาด้วยเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าเราจะระลึกนึกถึงอะไรก็ได้ระลึกถึงเรื่องไม่ดี มันก็เป็นมิจฉาสติไงในที่นี้เราจึงระลึกถึงเรื่องดีๆวิธีการที่ทันสอนไว้ก็มีมากมายที่พระพเจ้ามักจะพาทุกฝังทำอยู่เรื่อยไม่ก็เป็นการระลึกถึงลมหายใจเป็นอนาปานสติไม่ก็เป็นการระลึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นพุทธานุสติไม่ก็เป็นการระลึกถึงพระธรรมเป็นธรรมานุสติไม่ก็เป็นการระลึกถึงพระสงฆ์เป็นสังขานุสติ ไม่ก็เป็นการระลึกถึงสีของเราก็ได้ที่เราได้ทามาปฏิบัติมาหนึ่งก็เป็นสีลานุสติบางทีก็นึกถึงการที่เราเคยให้เคยบริจาคสิ่งใดได้มานึ่นก็เป็นจาขานุสติเอามีหลายอย่างละวันนี้เราเจริญพุทธานุสติคือการตามระลึกถึงคุณในข้อพุทธโธของพระพุทธเจ้าความระลึกคิดนึก ถึงได้นั้นคือสติคุณหรือคำพุทอในที่นี้เป็นเครื่องมือเฉยๆเราจะเอาการงานที่มันสําเร็จนะเราจะทำเฟอร์นิเจอร์เราจะสร้างบ้านเราไม่ได้จะเอาเครื่องมือเครื่องมือเป็นเครื่องมือคุณจะใช้ค้อนตอกตะปูคุณจะใช้นั่งร้านขึ้นไปคุณจะใช้สว่านเจาะนั่นนี่นั่นเป็นเครื่องมือ พอใช้เสร็จแล้วก็เก็บไปไงสิ่งที่เหล อ, อยู่ก็ไรบ้านที่มันสําเร็จขึ้นมางดงามขึ้นมาดีขึ้นมาเราเจ้าสตินะเราเจ้าสติสติคือความระเบิดได้ใช้พุทธโธเป็นเครื่องมืออ่ะที่นี่ปอตั้งสติขึ้นแล้วใจมีสติเป็นที่แหลมไปสู่สตินั้นก็จะรักษาจิตของเรารักษาหมายถึง เวลามีภาษาราไรอันเป็นที่ตั้งแห่งความสุขแล้วมีความรู้สึกที่เป็นสุขเกิดขึ้นในช่องทางใจมีความรู้สึกที่เป็นทุกข์หรือมีความรู้สึกที่ไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขเกิดขึ้นในช่องทางใจนะเหมือนเดิมแต่จิตที่จะเข้าไปกลือกลัวมันก็จะไม่เข้าไปเกลือกลัวหรือเกลือกลัวยุ แต่ว่ามันไม่ได้ทําให้จิตนั้นผลิตสิ่งที่มีความเศร้าหมองคือราคาโทสะโมหะออกมากลือกลุ้ยยู่แต่มันไม่ได้เปื้อนกันไงเหมือนน้ํากับดอกบัวหรือใบบัวดอกบัวหรือใบบัวเกิดจากน้ําก็จริงอ่ะเกิดจากขี้ตมก็จริงอ่ะแต่ขี้ตมหรือน้ํานั้นก็ไม่ได้เปื้อนที่ใบบัวหรือดอกบัวนั้น คือโดนก็อยู่ก็จริงนะแต่มันไม่เพื่อนกันไงถึงเวลามันกลิ้งปุ๊บมันก็ไหลเลือดออกไปใช่จิตเราสามารถรับรู้สิ่งที่เป็นสุขภ้างทุกบ้างอันนี้ธรรมดาถ้าไม่มีสติใช่ป่ะมันก็จะบอกว่าเนี่ยเพลิ่นพอใจไม่ก็ขยะกแ ข, áng, ขจจ็งกรีชังหรือไม่รู้ไม่เข้าใจก็เป็นหิวร้อนมืดไงแต่ถ้ามีสติรักษาก็รู้อยู่เหมือนเดิมอะสุขทุกข์ก็มีเหมือนเดิม ท่านจุงบอกว่าระหว่างปุถุชนที่ไม่มีการสดับคือคนที่เขาไม่ได้สนใจจิตตภาวนาแบบอริยะบุคคลที่มีการสดับคือคนที่เขาจะสนใจจิตตภาวนาก็าเจอสุขเหมือนกันน่ะเจอทุกข์เหมือนกันน่ะเจอสิ่งที่ไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขเหมือนกันนั่นน่ะอา้าวแล้วเหมือนกันละอะไรจะเป็นความแตกต่างกันอะไรจะเป็นจุดมุ่งหมายที่ไม่เหมือนกัน อะไรจะเป็นสิ่งที่แตกต่างกันระหว่างคนสองประเภทว่าอยู่ในโลกเหมือนกันตัง้งแวังมันก็ต้องมีสุขมีทุกข์ของโลกนี้เหมือนกันจเจอเหมือนกันโดนเหมือนกันร่างกายก็เป็นธาตุสี่ดินน้ำไฟลมเมื่อก็เป็นโรคไปค่เจ็บบ้างผลักจากสิ่งที่รักที่พอใจบ้างแก่บ้างเจ็บบ้างแล้วก็ตายเหมือนกันด้วย เขาก็ได้เมื่อเจอทุกแบบนี้เหมือนกันแล้วอะไรมันต่างกันต่างกันตรงนี้ไงทุกฝังคนรู้ขั้วท่านเปรย์เหมือนคนที่ยิงธนูเขาก็ไปรอบยิงธนูคือเป็นนักขมังธนูแล้วก็เป็นนักล่าข้าหัวคือเป็นเพชฌฆาตได้รับคําสั่งมาให้ไปล่าคนนี้ยิงไปโดนครั้งเหนื่แล้วยิงไปซ้ําครั้งที่สองครั้งที่สามครั้งที่สี่ นคนที่ถูกยิงเนี่ยโหโดนต้อง 7,8 ดอก 10, ดอก 20, ดอกเจ็บมากคือมีความทุกข์มากแต่ในขณะที่อีกคนหนึ่งเขาก็ถูกนักล่าก้าหัวตามยิงเหมือนกันแต่ยิงทีเดียวไม่ถูกยิงซ้ำนี้เหมือนกันนะเปรียบเทียบระหว่างบุทุชนที่ไม่ได้สดับไม่ได้สนใจจะทำจิตตภาวนาก็เจอทุกข์เหมือนกันทุกกายด้วยทุก คิดอีกทีก็ทุกอีกทีคิดครั้งที่สองครั้งที่สมครั้งที่สี่ก็ถูกยิงด้วยธนูดอกที่สองสามสคิดครั้งที่ห0สบก็ถูกยิงด้วยธนูดอกที่ห้า1บห้าสเ็ดไปแต่สำหรับเรียบุคคลผู้มีการสดับคือคนที่จะสนใจทำจิตตภาวนาทุกกายุ บางทีมันก็เจ็บปวดมาเนื้กรธรรมดาแต่ว่าไม่ทุกใจไม่ทุกใจเนี่ยคือไม่ได้ถูกยิงด้วยลูกดอกที่สองดอกที่สหรือว่าบางทีอาจจะทุกใจอยู่แป๊บหนึง่งคิดครั้งหนึ่งก็ถูกยิงครั้งที่สองคิดครั้งที่3ามก็ถูกยิงครั้งที่สถูกยิงเข้าไปสู่ใจติ่มไปติ่มไปแต่พอหยุดคิดได้เมื่อไหร่ไม่ทุกไปตามสิ่งที่เป็นทางกายนั้น ก็ถูกหยุดยิงไม่ทุกต่อไปทุกใจน้อยทุกกายกับทุกเหมือนกันนั่นแหละแต่ความทุกข์ทางใจนี่คนละอย่างกันเลยไม่ถูกยิงซ้ำเอาทำไมถึงทำอย่างนั้นได้เพราะว่าปุถุชนผู้ไม่มีการสดับที่มาทุกใจเนี่ยเพราะว่าร่ำไรคร่ำครวนไม่ก็กระฝัดกระฟีด แสดงความโกรธความขัดเคืองบางทีก็ไปหาความสุขชนิดที่เป็นไปในทางการคิดว่าความสุขนี้จะช่วยระงับทุกขเวทนานั้นได้ทุกดอกที่ห้าดอกที่หต่อไปอีกเสพการนเนี่ยก็ออยิ่งทุกข์มันก็จึงมีความเศร้าหมองถูกแบบโอโ้โหทุกข์กายไม่พ อ, อยิ่งทุกข์ใจซ้าอีกแต่สำหรับอริยบุคคล สามารถที่จะรู้วิธีที่จะระงรับทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นทางกายนั้นมีสติรักษาจิตไม่ให้สิ่งที่เป็นความหิวความร้อนความมืดราคะโชสัมโมหะเกิดขึ้นกลุ่มรุมห่อหุ้มจิตใจเพราะมีสติรักษานั้นเ่จำบ ง, งสติ อยู่ในช่องทางใจรักษาจิตด้วยการสำมรวมอินทรีย์มีปาษาใดๆมากระทบจิตไม่ได้จะคลื่อนคล้อยวันไวไปตามสิ่งนั้นแต่รักษาได้ป้องกันได้มีสติเราอย่างไงที่นี้จิตได้รับการรักษาแล้วยังไงที่นี้ผ่องใสไงผ่องใสจิตที่มีความประพัสสอนนั้นผ่องใส ผ่องใสก็คือประภัฒสอนนั่นแหละแต่ประพัฒสอนแล้วที่ว่าผ่องใสมันเศร้าหมองได้ไงพอเรากําจัดความเศร้ามองคือกิเลสออกไปยิริยาลักษณะนี้ก็เรียกว่าผ่องใสคือประภัฒสอนนั่นแหละจิต ท, ที่มีความประพัฒสอนเศร้าหมองก็ได้ผ่องใสก็ได้หมายความมาเมื่อไรก็ตามที่เราเลอสติไปลืมไปเปลินไป ลืมเพลินเผลอคือตรงข้ามกับสติสติคือจำได้ระลึกได้ไม่เผลอไม่เพลินเพราะเผลอสติก็คือเพลินไปเพลินไปลืมไปสติไม่มีจิตก็เศร้าหมองได้อีกจิตประวัติสอนนั่นแหละเศร้าหมองนะเพราะกิเลส จ, จอดมาใช่ไหมสติเพลอไปปุ๊บกิเลสก็เข้าแทรกเลยเข้าแทรกประวัติสุขทุกข์มันมีอยู่ตลอดเวลา อ่านต่างตาต่า ง, างหูเราจึงต้องคอยระวังสติของเราให้มากตั้งสติแล้วยังไงทำยังไงจิตมันถึงจะไม่เศร้าหมองใช้ปัญญาท่านฟังใช้ปัญญาใกล้กรวนวันนี้เราจะมาใกร้กรวนในบทที่พระพุทธเจ้าได้เคยเตือนเคยบอกแล้วก็ให้พิจารณาอยู่เนืองเนื่องว่า เราจะต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งสิน้นการที่เราจะได้ตามปรารถนาในสังขารที่มีการปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาว่าสิ่งนี้นั้นอย่าปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงไปให้เหมือนเดิมนะเราจะไม่ได้เราจะไม่ได้เป็นฐานะที่ใครใไม่พึงได้ ไม่ว่าจะเป็นเทวดาเทพมารบรมหรือใครๆในโลกก็ตามเขาจะไม่ได้จะมาขอของที่จะต้องแก่เป็นธรรมดาว่าอย่าแก่จะมาปรารถนาสิ่งที่จะมีความตายเป็นธรรมดาว่าอย่าตายจะมาปรารถนาสิ่งที่มีความชิบหายเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาว่านะ้าอย่าเปลี่ยนแ ป, ปลงอย่าชิบหายอย่าจากไปนะ คุณจะไม่ได้น่าอย่าจากไปนะร่าไรไปสิร่าไรก็ ร, ำกรงง่ร ำ, รกกรกำกรวนไงร่าไรมากๆเขาก็เลยร่ํากรวนร่ํากรวนมากๆไม่ได้ทำไงทุบโขกชชกตัว ร, ร่ําไรคร่ากรวนก็จึงว่ า, างี้ขณะไหนมันก็ไม่ได้แล้วมันจะเปลี่ยนแปลงไปมันจะตายไปมันจะแก่ไปมันจะชิบหายไปก็เป็นอย่างนี้จึงําฝังสําหรับคนที่ว่า ว่้รักสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากเนี่ยนะยิ่งรักมากก็ไม่ปรารถนาให้มันจะเปลี่ยนแปลงไปละก็อยากให้มันเป็นอย่างนี้อยู่ไปตลอดรักสิ่งใดก็ไม่อยากให้สูญเสียสิ่งนั้นไปรักสิ่งใดก็อยากให้สิ่งนั้นอ่ะอยู่ไปตลอดไงอันนี้คือลักษณะของความเพลินความที่ว่าจิตเราไปหลงรักสิ่งใดพอใจสิ่งใดมันก็จะเผลอเพลินไปในสิ่งนั้น เขาบอกลินไปนี่คือพอใจใช่ไหมความเพลินความพอใจใดความเพลินความพอใจนั้นคืออุปาทานคือความยึดถือก็จะยึดถือว่าสิ่งนี้เป็นของเราเป็นรถของเราเป็นบ้านของเราเป็นภรรยาหรือสามีของเราเป็นลูกของเราหนึ่งคือส่วนที่เป็นทางกายทางรูปแต่เป็นน้ําล่ะอันนี้ก็จิตของฉัน อันนี้ก็ความคิดของฉันอันนี้ก็เป็นไอเดียมึงดีมึลก็ยังจนยึดถือว่า น, นี่พระพุทธเจ้าของเราอันนี้ก็ธรรมะของเราอันนี้ก็ครูบาอาจารย์ของเราพอยึดถือว่าอะไรเป็นของเราเมื่ อ, อไรท่านบุฟังจิตก็เรมมันจะมีการดิ่งลงไปมีการยึดถือลงไปมีการปักใจฝังลงไปในสิ่งนั้น ปากฝังลงไปก็คิดว่าสิ่งนั้นมั่นคงไงคิดว่าสิ่งนั้นก็จะอยู่เป็นอย่างงี้แ่ละพระพุทธเจ้าของเราก็ต้องอยู่เป็นอย่างนี้ไปตลอดธรรมะของเราต้องอยู่อย่างนี้ไปตลอดครูบาอาจารย์ของเราต้องอยู่อย่างนี้ไปตลอดของของเราคงอยู่งี้ไปตลอดแต่สิ่งที่เราคิดว่ามันจะไปตลอดไปตลอดนี่นะมันก็เป็นสิ่งปรุงแต่งนะมันไม่ได้ว่าจะไปตลอดได้นะมันก็จะปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงไปตามเงื่อนไขปัจจัยของเขา คือของสิ่งนั้นแต่สิ่งนั้นเป็นทางกายเป็นทางรูปมันก็เปลี่ยนแปลงแตกสลายไปได้เพราะความร้อนความหิวความหนาวสิ่งเหลือบยุงลมแด้ต่างๆนั่นก็จึงเรียกว่ารูปเพราะมันปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงแตกสลายได้รูปะรูปะนี่คือแตกสลายได้หรือถ้าสิ่งนั้นเป็นนำ้ำเป็นความคิดนั่นนี่ มือทีมก็ปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงไปตามสัญญาสังขารตามความคิดต่างๆไม่คงที่ไม่คงตัวมืนทีก็ลืมด้วยหนึ่งได้มือทีก็ใช่ได้มือทีบาอทีก็ใช้ไม่ได้โอ้ยยังไงนะหลังแล้วมันเปลี่ยนแปลงไปเพราะสิ่งที่มีการปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงไปแล้วมันก็ไม่เหมือนกับที่เราเพลินไปตอนแรกไง พอมันไม่เหมือนกับที่เราปักใจฝังลงไปว่ามันต้องเป็นอย่างยิ่งแต่ทีแรกใครทุกข์ล่ะืเราน่ยแหละทุกข์ทำฝั่งเราจะทุกข์ยิ่งเปลี่ยนแปลงมากเท่าไหร่ความทุกข์ยิ่งมากขึ้นตามเท่านั้นตัวแปรมันมีอยู่สองตัวแปรคือการเปลี่ยนแปลงใ น, นส่วนหนึ่งหรือสองยิ่งรัก ใจฟังลงไปยึดถือมากเท่าไรไม่ต้องเปลี่ยนแปลงมากก็ได้เปลี่ยนแปลงนิดหน่อยกอ็พอแต่รักมากความทุกข์กยิงมากเพราะยึดมากปักใจฝังลงไปมากเปลียนนิดหน่อยนะโอ้ไม่พอใจเลยจะทุกข์เลยเนี่มันมีอย่างน้อยสองตัวแปรที่ทำใหเราทุกข์นะคือความยึดถือและปริมาณของความเปลี่ยนแปลงพอเป็นทุกข์แล้วมันก็ไม่สุขแล้วระวงัง มันก็ร่ำไรร่ำรวนคนที่ยังมีราคะโทสะไม่หมดหมายความว่ามีความเพลิเพลินไปในสิ่งต่างๆอยู่น้อยมากก็เปลี่ยนแปลงไปใช่ไหมแล้วแต่คนก็คืออยู่ที่ว่ามีสติมากหรือมีสติน้อยหรือว่าเรื่องที่มากระทบนั้นมันเป็นเรื่องที่ใหญ่หรือเรื่องที่เล็ก ถ้าเรื่องใหญ่ๆนี่ก็โศกมากเศร้ามากถ้าเรื่องเล็กๆก็อาจจะแบบว่าเป็นความทุกข์ปิดกระป๋อยเป็นความทุกข์นิดๆหน่อยๆก็มีตัวแปรเปลี่ยนแปลงประเด็นมันคืองนี้ท่าฟังว่าถ้ามีอะไรที่เราให้เกิดความเพลินความเบือไปยึดถือไปมันก็มีราคาโทสะโมหะขึ้นมาให้เราทุกข์ที่เราทุกข์นี่นะ เพราะราคาโทสะโมห a นะเป็นเหตุหมายไงนะราคาโทสะโมหะก็มันจะความยึดถือนี่ไงยึดถือก่าวลงเผลอพลินไปมันก็จึงทำให้จิตนั้นไม่ได้รับการรักษาผลิต ร, ราคาโทสะโมหะออกมาเหมือนสนิมเหล็กเหล็กไปอยู่ในที่ชื้นแฉะมันก็มีสนิมง่ายแต่ถ้ารักษาเหล็กไว้อย่างดี เช่นทาน้ํายากันสนิมหรือทาสีทับปไวา้ต่อให้ไปอยู่ในที่เปียกๆบางทีมันก็ไม่เกิดสนิมได้นั่นเพราะมันได้รับการรักษาผัสาบางประเภทจะเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดความทุกข์ได้มากหรือน้อยแต่ว่าเวลามันเกิดแล้วมันเกิดขึ้นที่ตัวสิ่งนั้นสถานที่บางสถานที่อาจจะกระตุ้นให้เหล็กเกิดสนิมได้มากหรือน้อย แต่เวลามันจะเกิดไม่เกิดขึ้นที่ตัวเหล็กนะแล้วสนิมเกิดมาเนก็ทําลายเหล็กด้วยเช่นเดียวกันสิ่งแวดล้อมอาจจะกระตุ้นให้จิตของเราเนะี่ยมันได้ทุกข์มากหรือทุกข์น้อยแต่เวลาความทุกข์มันจะเกิดไม่เกิดขึ้นที่จิตเรานะเพราะเหตุของทุกข์คือราคะโทสะโมหะเกิดขึ้นที่ในช่องทางใจของเรานะเกิดจากจิตมีผัสสะเป็นแดนเกิด เพราะฉะนั้นคนที่ยังมีราคะโทสะหรือโมหะไม่ไปป ร, ราศคือยังไม่หมดหนึ่งก็ปราะวาเราได้ยึดถือหรือเพลินไปในสิ่งใดสิ่งหนึ่งหนึ่งก็เพราะวาเราเผลอสติหรือสติยังไม่มีกําลังเต็มที่ตั้งอยู่ยังไม่ได้ร้อยเปอร์เซนพระพุทธเจ้าท่านจึงบอกเอาไว้เตือนท่านประราช น, น์่อุตหิวสาไปร้องไห้อยู่ตอนที่ท่านได้ปรงอายุสังขารแล้ว ตอนที่พระพุทธเจ้าจะปริญนิพพานนั่นแหละไปยืนร้องไห้คือแต่แรกก็ไม่ได้ร้องไห้เราเตนก็พยายามโจดกล้นนั่นแหละแต่ไปคิดอยู่กลุ่มใจนะ่ะคิดกลุ่มใจอยู่ใต้ต้นสีสปาเป็นวงการจ ะ, ระบอกว่าสนใจใครแล้วก็หันหน้าเข้าหาต้นสีสปาคิดไปก็เอามือพิงไปเราจะทํำยังไงเนาะพระพุทธเจ้าถึงโว้ยแย่แล้วจะปริญนิพพานเรานี่ดันไม่ได้ ขอท่านเอาไว้ตอนที่ท่านทํานิมิตให้เห็นว่าให้ดํารงอิธิบาตภาวนาอะโตคิดไปเนะี่ยมันก็ช้ำไปนะคิดไปเนะี่ยมันก็ช้าไปนะเพราะว่ามันความผิดของตัวเราเองนะเตรมราหนนช้าไปช้ามาคิดไปคิดมามันดูรูช้อนแดงหลายลูกแล้วนี่แล้วก็เพลินไปไงเพลินไปตามความคิดเหมือนหน้าหัวเตมาฟังบางทีเรา เราคิดเรื่องใดเรื่องหนึ่งเรคิดเรื่องนั้นเลยเราเ้ยเฮ้ยเฮ้ยองมันมันเพลินไปแล้วนะยังไงนะนั่นแหะคือไม่รู้ตัวหรือว่าเพลินความเพลินนะความเพลินความเพลินในสิ่งที่เป็นทุกข์ก็ได้คือสิ่งที่ไม่น่าพอใจเรื่องกังวลใจไงกังวลใจแล้วก็คิดอยู่นั่นแหะคิดอยู่นั่นแหะพอคิดอยู่นั่นแหะเพลินไปแล้วเนี่ยดอกที่สองดอกที่สาม คิดเช้าก็ถูกยิงเพิ่มตอนเช้าคิดตอนกลางวันก็ถูกยิงเพิ่มตอนกลางวันคิดตอนขับรถก็ถูกยิงตอนขับรถคิดตอนนอนนอนก็ถูกโดนด้วยฝันมึงที่เอาตามไปคิดอีกฝันมันก็ตามไปได้ความทุกข์นี่กิเลสนี่มันตามไปได้หมดคนที่ถ้ายังมีรากาไม่ไปปราด ตอนพระบรเจาบริณิบานะทุกวังเข า, าอธิบายไว้เลยว่าโอ้เราภิกษุที่มีราคาไม่ไปปราศคือเป็นโซดานก็จริงนะคือมีทุกข์ที่ดับไปมากแล้วล่ะเปรียบเที่ยวกับภูเขาหิมัลัย่กับเศษดินปิดเท่าส่วนปลายเล็บนี่แหละความทุกข์ที่ดับไปมีมากความทุกข์ที่เหลืออยู่มีน้อยทุกข์ที่เหลืออยู่มีน้อยนิดนั่นแหละ ด้วยมีราคาโทสะโมหะอยู่มันก็บเบียดเบียนจิตใจของเราด้วยความรักในพระพุทธเจ้าพอท่านจากไปแล้วสติมันยังไม่ร้อยเปอร์เซนต์ไงคุณดิบนโซนดับันเสียใจรำให้คร่ำกรวนเดินว่าลม้มลงดุดมีเท้าตัดขาดรำบันรำไรคร่ำกรวนบาโอ้ยพระพุทธเจาทำไมด่วนจากไปแท้ ทำไรีบจากไปแท้หน้าจะอยู่นานๆหน่อยร่ำไรคร่ํากรวนทําไมร่ำไรขรา ก, กรวนนะย้อนกลับไปฟังตะกี้ก็ได้ที่ร่ำไรคร่ํากรวนเพราะว่าเพลินไปแล้วทําไมเปลินนะเพราะสติมันไม่มีร้อยเปอร์เซ็นตเผลอไ ป, ป, ป, ปอยู่เพลินไปอยู่แล้วคนที่ก็มีสติร้อย็ทําไงเขามีสติสัมปชัญญะอดกลั้นเวทนาได้ ด้วยธรรมสังเวทสังเวทไม่ได้แปลว่าเศร้าหดหูเงางอยหอเหี่ยวไม่ใช่นะทุกฟังสังเวชามาจากคำว่าสังเวทค่ะหมายถึงยิ่งจะแบบว่าให้ตระหนักถึงให้แบบว่าพุ่งไปปลุกเร้ากระตุ้นจิตใจนี่คือให้กระตุ้นขึ้น ธรรมะสังเวทธรรมะสังเวทนี่คือให้เกิดมีธรรมะคือความกระตุ้นตระหนักเราว่าโอ้ยเราจะอยู่เฉยไม่ได้ต้องมีความร้อนใจต้องมีการที่บอกว่าอยู่เฉยไม่ได้ภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า sense of urgency ต้องเดี๋ยวนี้เหมือนอะไรเหมือนคนไฟไหม้ผมไฟไหม้เสื้อผ้า จะมาเอาโทรทำไมฉันถุงมีไฟไหม้ผมไฟไหม้เสื้อผ้ า, างี้นี่คุณดับไฟแม่จะมาร้องไห้ค่ำควรหาอะไรดับไฟแ ม, ม, ม่ไฟไหม้ผมไฟไหม้เสื้อผ้าอยู่สังเวทมันต้องอย่างงี้จะมาคอยโทรหาคนนั้นทำเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องแล้วมันต้องดับไฟก่อนถ้าไฟไหม้ผมไฟไหม้เสื้อผ้า่ สังเวชไม่ใช่่าเสียใจแต่คนที่มีสติสัมปชัญญะเขาจะมีธรรมะสังเวชงจะมีความตรหนักถึงจะมีความตื่นรู้จะเข้าใจสถานการณ์บ้างอนั่นหละสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเนอเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปความเข้าไปสงบระงับสังขารเหล่านั้นได้ต่างหากนั่นแหละจึงเป็นความสุข ความสังเวชต้องเกิดขึ้นตาฝังจากอะไรสติสัมปชัญญะสติมันจึงเป็นตัวหลักมาตั้งแต่แรกเลยตอนที่ยังไม่มีสตินั่นแหละก็ต้องมีสติตั้งขึ้นแมมแต่ว่ามันท่มก็เผลอใช่ไหมล่ะยกประโยชน์ให้จมเลยเผลอได้บ้างนิดนิดหน่อยหน่อยแต่พอระลึกได้เมื่อไหร่พุโทโธเลยนะพุโทโธเลยเออ เราไม่ได้จัพุโทโธหรอกเราเจัสติถ้าพุโทโธมันหายไประดับไประ ง, งับไปไม่เป็นไรเอาสติเอาไว้เอาสติเอาไว้สติรักษาจิตให้เกิดความตระหนักให้เกิดความตื่นรู้ความตื่นรู้นะั่นคือพุโทโธไงให้มีความตื่นเต้นให้มีกำลังนะกำลังนี่หมายถึงความเพียรไงให้มีความกล้าไง กล้าที่จะเผชิญหน้ากับความจริงว่าจริงๆมันเป็นอย่างนี้ลหละจริงๆแล้วสังขารทั้งหลายมีความเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาคนที่เศร้าโศกเสียใจเนี่ยคือเขาไม่เผชิญหน้ากับความจริงทัมฟังเขาไม่กล้าเขากลัวหลบอยู่หลังความเพลินไหลไปตามความคิดอันเดิมๆไม่สามารถที่จะะลึกตั้งสติไว้ได้พอะลึกตั้งสติไม่ได้เพราะอะไรนะเพราะไหลไป ตามความคิดเดิมๆที่เคยยึดถือเอาไว้พเพลินไปพอเพลินไปไหลไปมันตั้งสติไม่ได้มันก็คือไม่กล้าไม่กล้าก็คือไม่มีธรรมะสังเวทนั่นเองพอไม่กล้าไม่มีธรรมะสังเวทไม่เห็นความจริงมันก็เศร้าโศกเสียใจความเสียใจความร่ำไรระวังจึงเป็นคนและอย่างกันกันกบความสังเวท ความหมายมันรับดสิบองศาเลยเนี่ยมันคนละเรื่องนะหนังคนละมวล้วนใช่หนังคนละมวล้วนคือมันปนกันฝ่ายหนึ่งว่ายอย่างหนึ่งอีกฝ่ายหนึ่งก็ว่ายอย่างหนึ่งมันปนกันปนกันแล้วเราจึงบางทีแยกไม่ออกเราจะแยกแยกทำไงตั้งสติไว้สติจะเป็นตัวแยกแยกธรรมะสองเวทแยกออกจากความเศร้าโศกเสียใจร่ำไร สลดแยกออกไปความสังเวชสลดแยกออกมาเอาสลดทำไมมันอยู่ทั้งสองฝั่งมันเป็นตัวเชื่อมไงทั้งฝังเป็นตัวเชื่อมถ้าเราอยู่ฝั่งที่ร่ําไรคร่ําครวนสลดสงเวชใช่ปะเออใค่อยๆมาทางสลดสังเวชร่ําไรคร่ําครวนเนี่ยเอาออกไปเอาออกไปยังไงนะแยกแยะด้วยอะไรนะสติ ใช้อะไรเีเครื่องมือนะพุโทโธพิจารณาบ้างไงนะสัตว์จะต้องรดัดรากจากของรักของชอบใจทั้งสิ้นการที่เราจะได้ตามปรารถนาในสังคารนี้มันจะไม่มีจะหวังเอาสิ่งที่เป็นแล้วมีแล้วปัจจัยปรุงแต่งแล้วจะให้มันไม่แตกตับไม่ทำลายไม่เปลี่ยนแปลงไป โปรดเข้าใจให้ถูกต้องด้วยว่าเราจะไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นพระราชามาหากษัตริย์ไม่ว่าจะเป็นยาจกคนพานบัณฑิตไม่ได้เปรียบเหมือนหม้อหม้อที่ว่าถึงแม้จะยังเดีบอยู่ยังไม่ได้เผาให้มันสุกหรือสุกแล้วสวยงามแตกหมดมีความแตกทําลายเป็นที่ สุดจบผลเราเกิดมาแล้วก็ต้องมีความแก่ความตายหรือเลี่ยงไม่ได้มีการปรุงแต่งแล้วก็ต้องมีความดับไปเป็นธรรมดาคนที่มีความกล้าคือเห็นตามความจริงปลุกเร้าจิตใจให้เห็นตามความจริงด้วยความเพียรด้วยความมั่นใจ มีความมั่นใจศรัทธาแล้วมันจะเกิดความเปลี่ยนมีความเปลี่ยนแล้วมีธรรมสังเวทแล้วก็จะมีสติง่ายสติคือการระลึกได้ไงมันมาด้วยกันมันจะค่อยเป็นไปพอมีสติแล้วยังไงสมาธิปัญญาไงมีปัญญานั่นแะมันจึงจะต้องค่อยมีความมั่นใจถึงจะค่อยมาเห็นตามความจริงก้าที่จะเผชิญหน้า คนเราถ้าไม่มีปัญญามันจะไปเผชิญหน้าได้ไงเย้ากล้าบ้าบิน่นแต่กล้าต้องเอาอาวุธไปด้วยจะมีอาวุธก็ต้องสติสัมปชัญญานี่แหละสติปัญญานี่แหละเอาเป็นอาวุธไปอาวุธในการที่จะเผชิญหน้ากับความจริงความจริง ม, มันเป็นอย่างนี้แหละท่านผู้ฟังมีความเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาเราเผชิญหน้ากับความจริงด้วยความกล้า ด้วยสติสัมปชัญญะคือสติปัญญาให้มั่นใจไม่ว่าจะเรื่องอะไรนะทุกฝังถ้าเป็นสิ่งที่เรารับรู้ได้ทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจสิ่งนั้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้มีปัจจัยปรุงแต่งได้มีการแต่งดับเป็นธรรมดาให้เกิดความเข้าใจด้วยความกล้า ด้วยปัญญาหนึ่งคือธรรม ส, สังเวชสังเวชแล้วเข้าใจแล้ววางสิจะรออะไรอ้อทำไมอ่ะก็เพราะว่าสิ่งที่มีความเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดามันไม่ควรค่าที่จะเห็นว่าสิ่งนั้นเป็นของเราเป็นตัวเราเป็นตัวตนของเรา้นบริไวเหมือนกับย่าไม้กิ่งไม้บางที พายุฝนมาโอ้ใบไม้เนียวร่วงเต็มเลยเป็นยัง ไ, ไงอ่ะก็ไปกวาดกวาดเสร็จแล้วจะเผาโอ้เผาไม่ได้มันเปียกเอางี้ก็ฝังก็แล้วกันจะเผาหรือจะฝังไม่มีใครก็จะไปแก่หรอกําไว้ก็เผาก็เผ า, าไปสิฝังก็ฝังไปสิเพราะอะไรเพราะว่าไม่ได้จะมีใครคิดว่านั้นเป็นตัวเราของเราเป็นตัวตนของเราหล่นิ้งก็ทิ้งไปไง เหมือนกันอนะสิ่งที่มันมีปัจจัยเงื่อนไขปรุงแต่งไปแล้วเนี่ยมันไม่ควรค่าที่จะไปคิดถึงว่าอันนี้ของเรานะ น, นี่เป็นเรานะนี่เป็นตัวตนของเรานะนี่คือความไม่ประมาทนะทฟังความไม่ประมาทความประมาทกับความไม่ประมาทต่างกันแค่ร้อยแปสองศานะคือทางเดียวกันนั่นแหละแต่เป็นคนละทิศเหมือนสมัมมาม ก, กับมิจฉามากนี่ ก็ทางเดียวกันนั่นแหละแต่เป็นคนละทิศเหมือนคาว่าสังเวชที่คนไทยเราใช้ว่ามันคือความเศร้าโศกเสียใจแต่ความหมายจริงๆเขาแล้วคือความกล้านะความต้องตรหนักถึงนความร้อนใจนะให้ร้อนใจมันมันไม่ใช่ไม่ดีหรอก็ถ้าคุณหันไปทางนั้นมันก็ไม่ดีไงถ้าคุณหันมาทางนี้มันก็ดีไงหันไปทางไหนหันไปทางที่ว่าร้อนใจแล้วทำอะไรอะ ถ้าร้อนใจแล้วร่ำไรคร่ำครวนอันนั้นไม่ดีคุณเลยไปแต่ถ้าร้อนใจแล้วตั้งสติไว้ว่าฉันจะต้องแบบว่ากำจัดความยึดถือในสิ่งที่มีการปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาจะกำจัดความที่จะเห็นว่าสิ่งนั้นเป็นตัวเราของเราออกไปในสิ่งที่ฉันรู้สึกร้อนใจแล้วนี่หล ะ, ะคุณลทิศนะไปกุละทางมันแยกกันตรงไหน แยกกันตรงสติแยกกันตรงปัญญาใช้สติใช้ปัญญาในการที่จะทำจิตให้เห็นแยกแยะท่านจึงบอกว่าเราพราอ า, าราณท้องลายนี่หรือคนที่เขามีสติสัมปชัญญะไม่ต้องถึงอาหารหันต์ก็ได้โสดาปติมาคเอาโสดาปฏิผลคืออย่างน้อยยังไม่อยู่ในเส้นทางบ้าง คือทางเดียวกันแล้วแหละปุรุชนก็ทางเดียวกันแต่เป็นคนละทิศคื อ, อน้องก็ยังหันมาทิศที่ถูกต้องได้บ้างนะคนที่เป็นปุรุชนเนี่ยพอเริ่มรู้สึกว่าตัวเองทุกข์มากใช่ปะก็หันลงมองหาทางอื่นดูสิมันก็มีทางนี้ทางเดียวแล้วเราไปถูกทิศหรือเปล่าเนี่หันมาดูอีกทีหนึ่งอา้าทิศั้นก็มีเลยนี่โอยถ้ามารู้สึกได้ว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ค่อยเที่ยงนี่นะอันนั้นก็คือคุณ ยังลงสู่ระบบแห่งสมมติิยามคือระบบแห่งความเห็นที่ถูกต้องอย่างลงสู่สับรุษสภูมิคือภูมิของสับหรุษร่วงพ้นปุถุชนภูมิแล้วหันมาทางถูกแล้วอะเอาทางนั้นก็มีละเนี่ยกล่าวว่าเข้าสู่กระแสเลยเป็นโซดาปติมาถ้าเราแบบว่ารู้สึกเป็นอย่างเนี้ยเดินมาตามทางเลยกรับทิศหน่อย ให้ไปตามทางที่อริยบุคคลก็จะเป็นกันระลึกได้อยู่ก็จริงแต่บางอย่างบางที่มันมันไหลไปหลายก้าวแล้วนะเอาแต่ยังไงก็อย่าจะเกิน7จ็ก้าวกันละกันคืออย่ากเกิน7ชาติหรือก็ถลายถลายไปหน่อยว่าหนึ่งสองชาติก็พอหรือว่าทําให้มันหมดชาตินี้ไปเลยนิดหน่อยแต่ว่าพอระลึกได้เมื่อไหร่นะตั้งสติไว้เลยนะใช้ปัญญาแซ่ออกใช่ปะ ด้วยธรรมสังเวชคือด้วยความเพียรร้อนใจแล้วรีบดับไฟบนหัวรีบดับไฟที่เสื้อผ้าธรมมานี้ก่อนพอเราเจอเรื่องทุกข์แล้วต้องมาไคร้กรุอนอริยสัจ ส, สีเอาอันนี้ก่อนเพื่อที่จะดับไฟตรงนี้ไฟคือความเกิดคือความแก่ความเจ็บความตายไฟคือราคาโทสะโมหานี่มันเผาเราอยู่แล้ว เราต้องดับไฟนี้สียะพอไฟคือราคาโทสะโมหะดับไปนี่แหละจะมีสติสัมปชัญญะครบถ้วนร้อยเปอร์เซนต์บริบูรณ์อดกลั้นเวทนาต่างๆที่มากระทบได้ไม่ว่าจะเป็นสุขเวทนาทุกขเวทนาอทุกขมสุขเวทนามากระทบแล้วเราก็จะไม่เพลิดเพลินเผลอไปตามสุข ไม่ร่ำไรร่ำกรวนไปตามทุกข์หรือไม่เข้าใจแต่มีความเข้าใจมีความแจ่มแจ้งในอาทุกขมสุขเห็นเวทนาทุกอย่างได้ตามความเป็นจริงไม่เพลิดเปลินแล้วก็ไม่ทุกข์ใจไงมีเวทนาอยู่ทางกายก็จริงแต่ไม่ทุกข์ใจไงทานทีหรือว่าเป็นผู้ที่หลุดพ้นจากความทุกข์ได้ หลุดพ้นจากความทุกข์แล้วมันจึงเป็นความน่าอัศจรรย์ดูบวงสมาธิสติปัญญาให้เราใช้ในการไกรกรวนทำการภาวนาคือการพัฒนาจิตของเราให้มันบวบลหลุดพ้นจากสังขารการเปลี่ยนแปลงความยึดถือต่างๆเข้าใจแล้วเราก็สบายใจได้ดูฟัง สบายใจได้อยู่กับทุกข์ก็ไม่ทุกข์อยู่ในโลกได้เหมือนลิ้นงูอยู่ในปากงูเออมีอะไรก็ทําไปปรุงแต่งไงก็จัดการไปไม่เป็นไรเราอยู่เหนือสุขอยู่เหนือทุกข์ได้นั่แน่ทั้งบังในช่วงของจิตตวิเวกที่เป็นการทำสมาธิการเจริญวิปัสสนา เราจะมาฝึกมาฟังกันทบทวนทุกวันอังคารตั้งแต่เวลาตี 5-6 ถึงโมงเชา้าทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านสามารถติดตามรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์ข้บพเาพระมหาไพาบูุอ์อาภิปุณโญพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้จุเรมปอน